และเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลจะกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมันและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสกเปล่าและผู้อิจฉาซึ่งบทนี้เป็นบท 1 ของ 2 บทที่ใช้ในการขอความคุ้มครองซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ขอความคุ้มครองด้วย 2 บทนี้ بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอออูดุบิร็อบบิลฟะลักจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อธิบานแห่งยามรุ่งอรุณมิชัดดิมาคอลักให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงบันดาลให้มีขึ้นวะมิชัดริกอซิกะอิซาวักบะ และความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเปล่าในปมเงื่อนและจากความชั่วร้ายของความอิจฉาเมื่อเขาอิจฉา